พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะดิฉันสันสินีนาคพงศ์มาอีกแล้วนะคะในต้นปี2558กับรายการสรนสินีสนทนารายการที่สนทนาอยู่ในกรอบของคําสอนของพระศ า, ศาสดาเท่านั้นมีพระมหาภัยบุญอภิปุโนนะคะจากวัดปาดอนายโซอุดรธานีมาให้ธรรมะเราเมื่อวานนี้ท่านก็ให้พรว่าให้พวกเรานั้นมีสติสิ่งที่เกิดตา ม, มาในการปฏิบัติของเราทุกอย่างหรือว่าสิ่งที่เราเผชิญ ก็จะได้เป็นไปด้วยดีวันนี้เราไปกราบนมัส ก, การท่านกันต่อนะคะเพื่อที่จะสนทนาค้นคว้าหาข้อธรรมเอาไปใช้ในชีวิตของเรากันต่อไปกราบนมัส ก, การค่ะเชี่ยบานต้นปีนี้วัดป่าดอนหายโศกทําอะไรกันบ้างคะเนี่ยก็ในช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่29่บเาธันวาที่ผ่านมาจนถึงวันที่2คือวันนี้ เ, เราก็มีคอร์สก็เรียกว่าเป็นคอนร์สอะไรเป็นคอร์สปีใหม่นะก็คือว่าบริการให้คนที่เขามาวัดเนี่ยได้ นั่งสมาธิเป่านามีการเทศอนาอะไรพวกนี้ค่ะนะก็ถึงวันที่สองนีกิจกรรมที่เรามีแต่ว่าจะไม่ได้มีการลีกได้เหมือนคอสปกติที่เราทำอันนี้ก็เป็นลักษณะเสริมๆขึ้นมาอ๋ออ๋อค่ะคือเหมือนว่าทำพิเศษเพื่อให้แตกต่างแล้วก็เหมือนกับฉลองอีกแบบหนึ่งไหมคะใช่ใช่กท็ทั่วๆไปก็มีคนที่มาอยู่วัดแล้วก็มีคนมาอยู่วัดเราก็ทำ<ม>อย่างงี้นะปากันทานั่งสมาธิอย่างนี้ได้ เนื่องคิดว่าคนในประเทศไทยไม่มีจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะคะที่เลือกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในร่มพระธรรมใช่ใชมันมีไม่น้อยทีเดียวก็ที่มาอยู่นี้ก็ที่แชงมาแล้วนี่ก็หลายสิบคนอืมค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของท่านทั้งหลายก็อาจจะมีกิจกรรมทำนองเดียวกันแต่ไม่ได้ไปวัดป่าดอนหายโศกก็ไม่เป็นไรนะคะทีนี้ส่วนผู้ไม่มีโอกาสจะไปเลยอ่าก็ สามารถที่จะทำในสิ่งดีๆได้เยอะแยะทำที่บ้านก็ได้ใช่ค่ะที่ดิฉันสนใจอยากจะกลับเรียนถามท่านเนี่ยคือเรียนคิดว่าการปรับปรุงตัวเองเป็นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนให้คนทุกคนปรับปรุงตัวเองถูกไหมคะศา<ช>สนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้คนพัฒนาตนเน้นที่ตัวเราเองมากกว่าคนอื่นค่ะทีนี้ในส่วนของการพัฒนาตนนีก็มีหลายเรื่องนะคะแต่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องอาจจะเล็กก็ได้ ดที่ฉันสนใจคือสืบเนื่องจากการที่มีการพูดถึงการบวชภิกษุณีว่าควรกระทําหรือไม่อย่างไรในวันนี้ที่ประเทศไทยนะคะก็เลยไปค้นคนวา้าแล้วก็ได้อ่านพบว่าก่อนจะมาเป็นภิกษุณีจะต้องเป็นสิกขามานาถูกไหมคะใช่อันนี้เรียกก็เป็นสามเณรีได้มันคะต่างกันไหครับอ่าเหมือนกันเหมือนกันแตบบ่บางทีเขาก็เรียกสามเณรีเขาเรียกเหมือนกัน ในครั้งพุทธกาลเหรอคะใชะ่เพราะว่าข้อมูลที่เขามีเนี่ยบางทีเาก็ใช้แทนกันนะที่ว่าสิขมาณาก่อนจะมาบวชเป็นภิกษุณีได้เนี่ยจะต้องใช้คำว่าศีลหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจแต่ว่าในรายละเอียดหกข้อที่จะต้องรักษานั้นก็จะมีศีห้าห้าข้อแล้วก็ข้อที่หกเป็นเรื่องของการ ไม่รับประทานอาหารในยามวิการนะคะในส่วนข้อที่6นะคะ่ค่ะที่ฉันจึงสนใจว่ามีความสำคัญอย่างไรแล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกครวญอย่างเราที่ฝากฝ่ายในทางธรรมหรือไม่คะในการรับประทานอาหารไม่รับประทานอ า, าในเวลาล่วงการนะมีประโยชน์อย่างไรอาตมาเนี่ยตอนแรกก็ไม่ทราบแต่พอมาเป็นพระเนี่ยถึงเพิ่ ง, ถ, งถึงจะทราบนะข้อที่หนึ่งก่อนเลยก็คือว่าพาระบมันน้อย ไม่ต้องยุ่งเรื่องปากท้องหลายครั้งถ้าเรายุ่งเรื่องปากท้องหลายรอบเป็นภาระแน่นอนเดี๋ยวตอนเช้าก็คิดว่าจะต้องกินอะไรจริงแล้วะตอนเย็นก็ต้องคิดว่าจะต้องกินอะไรอีกทีหนึ่งนะมันมันก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดต้องทาต้องปรุงต้องทาความสะอาดเป็นภาระที่ต้องมีมาแต่ถ้าไม่กินหายหมดเลยนะภาระพวกนี้เบาไปเลยอันนี้คือประเด็นที่1่แล้วประเด็นที่2ในการรับประทานอาหารเวลาเดียวเนี่ย มันดีต่อสุขภาพอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่บอกว่าถ้าใครรับประทานอาหารในที่นั่แห่งอาสนะแห่งเดียวเนี่ยก็จะมีกายเบามีความกระปี้กระเป๋าในทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคุณโจมติเพราะว่า เ, เวลาที่เรามีอาหารเข้าไปในร่างกายเนี่ยระบบเลือดเอ้ยก็ต้องยอ่อยระบบร่างกายก็ต้องหยาบพวกนี้เป็นการเผาผลาญทั้งสิน้นเป็นธาตุไฟที่เผาเผาเผาอยู่มันก็ทําให้ร่างกายของเรามันชุดโฉมลงไปแต่เพราะนั้นเวลา <Okay. S 1> ที่มันมีอะไรเผาเกิดขึ้นเนี่ย ถ้ามีรอบเดียวครั้งเดียวอันนี้มันจะดีกว่าค่ะ <Okay. S 1> ทีนี้ประเด็นถัดมานีประเด็นที่สามมันไม่เป็นภาระนะภาระที่พูดถึงเรื่องแรกที่ว่าต้องเป็นภาระที่ต้องหาต้องอะไรเนี่ยนะอันที่สองอันที่สามเนี่ยกับผู้ที่จะต้องมาคอยดูแลเนี่ยลองคิดดูสมัยก่อน <Okay. S 1> เนี่ยนะพระเนี่ยก็ไปบินตบบาทตอนกลางคืนแล้วก็เป็นภาระกับผู้ที่ต้องเขาเขาเอามาให้นะวันหนึ่งก็ต้องหลายรอบเพราะฉะนั้นทําให้พอ พอไม่มีกิจกรรมตรงนี้ก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นอถ้าไม่ต้องกินตอนเย็นมีเวลาไปทำอย่างอื่นเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิสวนมนต์เน่ยมันจะมีเวลาในการทำอย่างอื่นมากเนี่ยคือสามเรื่องหลักใหญ่ๆอ่าทีนี้ถ้าเรามาดูในรายละเอียดคุณยมติว่าถ้าพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วสองมือ้อหรือสามือ้อเนะี่ยสิที่เขาวิเคราะห์กัน ว, ว่าวิการวิการเนี่ยก็คือหลังเที่ยงไปหลังสิบสองนาฬิกาไปใช่ไหมค่ะในส่วนที่เป็นพุทธพจน์อีกอันหนึ่งก็เคยพูดถึงว่า อ, อ รับประทานอาหารบนที่นั่งแห่งเดียวแต่ลุกขึ้นแล้วไม่รับประทานอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตีความกว้างๆเนี่ยก็คือว่าเวลาเช้าเรารับประทานอาหารที่1นึ่ใช่ไหมทีนี้ไอ้มื้ออะไรที่มันก่อน12บสนาฬิกาเนี่ยเขาก็นับรวมกันว่าเป็นมื้อเดียวอันนี้คือบางคนเขาก็คิดอย่างนี้ในมื้อนี้คุณกินอยู่2ครั้งแตตอนเช้าครั้งหนึ่งกับตอนก่อนสิบเอ็ดโมงก่อนเที่ยงครั้งหนึ่งในนี้ก็นับรวมเป็นมื้อเดียวแต่ถ้าหลังเที่ยงไปก็เรียกว่าเป็นมื้อที่2แต่บางคนเขาก็คิดอย่างี้ แตนะ่ถ้าเราจะเอาที่มันละเอียดเรียบร้อยหน่อยนะรอบครอบหน่อยแล้วก็เอาครั้งเดียวเลยเนยะรอบที่สองของมื้อแรกก็ไม่เอาสิบเอ็ดมงก็ไม่เอานะเอาเฉพาะตอนกี่โมงก็ไม่รู้คุณกินตอนเช้าก็จบไปนี่คือถ้าเราทําให้มันละเอียดรอบครอบลึกซึ้งยิ่งขึ้นทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะงั้นก็เท่ากับว่าถ้าหากเป็นอของนักบวชวิกาลก็คือเวลาที่ไม่ใช่การที่ตกลงกันไว้จะต้องรับประ<ร>ทานูก<า>ต้ามนั้นใช่ไหมค ะ, ะโดยทั่วไป ถ้าเป็นพระพุทโ์ที่ตรัสไว้ก็คืออาสนะเดียวคุอครั้งเดียวแต่จะไปตีความมันยังไงก็ว่าปไปอีกทีหนึง่งนะคะแล้วก็สำหรับประโยชน์คือภาระน้อยทั้งเราทั้งท่านเนี่ยเห็นชัดมากดีต่อสุขภาพอันนี้ก็ดีว่าถ้าเราติดตามหลักการแพทย์สมัยใหม่นะคะ เรื่องการรับประทานนี่เขาให้ความสำคัญมากเลยเขา mm. บอก you are what you eat mm. แล้วก็พูดถึงเรื่องการย่อยที่ท่านบอกว่าถ้าการย่อยไม่ดีหรือว่าในการย่อยต้องใช้พลังงานเยอะมาเผาผลาญใช่ไหมคะใช่ถ้าย่อยไม่หมดเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดโรคร้ายรวมไปถึงโรคมะเรง็งได้เลย mm. ทีนี้วิการของคนธรรมดาที่ทาเข้าใจว่างั้นเราก็ต้องมาตั้งจิตของเราเองถูกไหมคะว่า วิการของเราเนี่เมื่อเราไม่จําเป็นต้องไปรักษาศีลตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติก็ได้ถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเราก็คิดตัวเองได้ไหมคะว่าการของฉันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจเลยว่าพอใจมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตาวิมังสาเนี่ยที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรมรมอันนี้ออกมาว่าได้นะถ้าส่วนตัวของเราเองในความเป็นคารวะนะคะเพราะว่าไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่นนี่ใช่ไหมคุณ<ะ>อยากกินอะไรคุณก็ไปซื้อมากิน แต่คุณซื้อมันกินครั้งแรกนะจบเลยให้มันจบซะหลังจากลุกขึ้นแล้วก็คือจบแต่มันไม่ง่ายหรอกนะคะท่าน ค, ค่ะคือที่ที่กลับเรียนถามท่านเนี่ยจริงจเริ่มต้นจากการสงสัยเลยเอ๊ะทำไมแค่หกข้อเท่านั้นทําไมถึงให้ความสําคัญกับเรื่องการไม่กินนอกเวลาเนี่ยมากนะคะทั้งทั้งที่ดิฉันเข้าใจว่าท่านเหนือตัวศีลห้ามาก็ต้องมีแปดละที่เคยเข้าใจมาแต่แรกแต่นี่ให้แค่หกข้อเองอันนี้ก็คงเป็นเป็นรายละเอียดที่ พิสูจนีเขต้องทำํำที่ต้องบล็อกบล็อกเอาไว้นเพื่อให้เป็นขั้นเป็นตอนในการที่ให้คุณชินกับการรูปแบบของการประพฤติธรรมชาติเพราะว่าอพอไปไปบวชเห็นบอกว่าเป็นพิสูจนีนี่ถือศีลเยอะกว่าพิสูจธรรมดามั น, ม, นมันเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าบางทีผู้หญิงก็รักสวยรักงามการที่ว่าไม่ได้ให้งดเรื่องเครื่องผัสทาา่าเนื่องจากสิกขาบนา ย, ยังยังใช้พวกนี้ได้นะ ม, มันก็ก็อาจจะเป็นเรื่องที่พรุทธเจ้าเห็นข้อมูลบางอย่างตรงนี้ค่ะนะคะ ทีนี้มีคําถามคะท่านพิบูลคะ่ะเี่นดตอนนี้เราก็มีคําถามมาจากท่านผู้ฟังที่ส่งมาทางเว็บไซต์เปียวธรรมะคอมพู้ถามที่ชื่อคุณจันเจ้าแล้วก็ถามมาว่ามีน้าท่านหนึ่งที่พูดขึ้นว่าการที่ผู้ถามเนี่ยคือคุณจันเจ้าเนี่ยไปกราบอัธิธาต์ของหลวงปู่หลวงต า, าไปฝึกกรรมฐานกับครูคนนั้นคนนี้เนี่ยที่ไม่ใช่สิทธิ์ก้นกุฏิเนี่ยไม่ดีนะซึ่งท่านผู้ถามเองคือคุณจันเจ้าเนี่ยก็ มีความคิดขัดแย้งอยู่แต่เพราะว่าท่านเหล่านั้นละสังขารไปแล้วาการไปกราบไหว้พระอธิธาธท่านอย่างนี้ไม่ได้ช่วยให้หลุดพ้นได้แต่สู้การปฏิบัติไม่ได้จึงอยากจะให้พระอาจารย์ี่ช่วยแนะนําข้อมูลว่าควรทําอย่างไรอันนี้คือคงจะหมายถึงว่าการที่ไม่ไปกราบไม่ดีควรจะต้องไปกราบใช่ไหมที่เขาถามมาตรงนี้แล้วแต่คุณอาจารย์มีความเห็นว่ า, าควรจะต้องไปปฏิบัตินถึงจะดีกว่า าการที่จะไปกราบไหว้อันนี้มันก็มี2 ส, ส่วนมีสองส่วนคือการไปกราบไปไหว้ไปทําการบูชาด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พูดถึงว่าการบูชาคนที่คนบูชาอันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งแต่เป็นมงคลตรงไหนเพราะว่าบางทีบูชาเนี่ยเราก็แฝงการอ้อนวอนไปด้วยนะไปขอไปอ้อนวอน บ, นบนบานสารกล่าวซึ่งอันนี้ไม่ใช่คําสอนของพุทธะอยู่แล้วนะแต่ว่าการบูชามีประโยชน์ตรงนี้คุณโยมเติว่วอย่างทําไมเราต้องกราบพระ แทำไมเป็นสิ่งเราต้องทำความครบรอบนอบน้อมเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นการทำใจให้มันนุ่มนวลให้อ่อนนุ่มอ่อนโยนจิตใจจะมีธรรมะเข้าไปได้ต้องมีใจอ่อนต้องมีใจนุ่มทำไมเขาถึงพูดถึงน้ำโมเพราะน้ำโมคือความนอบน้อมเรานอบน้อมจิตลงไปด้วยการบูชายอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะบูชาด้วยการกราบด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องที่มันจะดูแล้วมันสวยงามทําให้จิต ใ, ใจนั้นเราอ่อนโยนจิตใจที่อ่อนโย น, นยจะรับธรรมะได้ ลองเทียบเทียบกันระหวห่างคน2คนนะคนหนึ่งจิตใจแข็งกระด้างไม่ไปหรอกไม่ทําไม่ไหวทําไมในจิตใจแบบนี้นะกับประเภทที่สองที่มีจิตใจอ่อนโยนอ่อนน้อมนุ่มนวล น, นะสองคนเนี้ยจะรับธรรมมาได้ไม่เท่ากันนะเอาไปปฏิบาาัติธรรมสองคนไปเดาธรรมเหมือนกันแต่คนที่มีจิตใจแข็งกระด้าง น, นะจิตใจมันก็หยาบในการที่จะเห็นอะไรที่มันลึกซึ้งมันก็เป็นไปไัญญาแต่ถ้าคนที่มีจิตใจอ่อนนุ่มอ่อนโย น, นจิตใจนุ่มนวลแบบเนี้ยมันปั้นได้ขึ้นรูปได้ เขาก็จะเห็นธรรมะอะไรต่างๆที่ลึกซึ้งได้นี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าถามอาตมาในที่นี้ในกรณีคําถามคุณจันจ้าเนี่ยก็คือว่าการไปไหว้ไปบูชาคนที่คนบูชาอันนี้เป็นสิ่งดีนะแต่เราอย่าพ่วงเรื่องการบนบานสารกล่าวการอ้อนวอนขอร้องอย่าพ่วงไปตรงนั้นแต่ไปไหว้จุดประสงค์ของการไหว้การบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าทําจิตใจเราให้อ่อนนุ่มนั่นเองอการปฏิบัตินี้เราทิ้งไม่ได้อยู่แล้วคือ ในลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเราอยู่บนโลกเกี่ยวข้องกับคนอื่นเนี่ยแล้วจะมีคนหวังดีกับเราอยู่รอบด้านเลยและส่วนใหญ่เขาก็จะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองก็แกล้งกรองมายึดถือปฏิบัติของตนเองว่าดีกว่าถูกกว่าก็จะมาเสนอความคิดเห็นเพื่อคิดว่าเป็นความหวังดีจะให้คนอื่นเขาได้รู้สิ่งที่ถูกต้องทาสิ่งที่ถูกต้องเน้นเข้าใจว่าเรื่องพวกเนี้ย สามารถไปประยุกต์ใช้กับปัญหาคําแนะนําอื่นๆได้เยอะเลยนะคะนี่งเข้าใจว่าคนเราเนี่ยต้องมีปัญญาพื้นฐานพอสมควรทีเดียวใช่คือเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยทําอะไรอยู่ใช่ไหมคะ<ช>ถ้าถ้าเราจะเหมือนกับจะมีภูมิคุ้มกันของเราเองเนี่ยที่ทําให้เราไม่หวั่นไหววอกแวบไม่ถึงขนาดไม่สบายใจไม่เจอคําแนะนําอะไรอ่าแล้วแต่คล้ายๆยกตัวอย่างแบบนี้ที่ถามมาเนี่ยแบบหนึ่งเราควรจะ ปลูกฝีอะไรป้องกันไหมคะท่านคะสิ่งที่เราต้องมีป้องกันเลยคือศรัทธาศรัทธาเนี่จะเป็นเครื่องป้องกันความเครือบแคลงความเห็นแย้งความไม่ลงใจได้นะศรัทธากับวิจิกิจฉาคุณโยมติ๋วมันจะมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะความวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงเอ๊ยนี่ใช่เปล่าทำไมเขาไหว้งั้นฉันไม่เห็นเป็นอย่างนี้นี่คือแสดงว่าคุณแบบเขวนนิดหนึ่งวันไหวนิดหนึ่งแต่ถ้ามีศรัทธานี่มันมั่นคงเลยปึ้งเลยทุบต๊ะไปเลยว่าอย่างนี้แต่ว่าศรัทธานี่มันต้องอ่อนน้อมนะจิตใจมันนจะุ่ม แต่คนที่มีศรัทธาแล้วจะไม่แข็งกระด้างยัจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่ที่ลักษณะนานที่จะมาใช้เมื่อสักครูว่ว่าเราทุบทบพึ่ ง, ปงไปเลยเนี่ยมันก็ไม่เคยถูกเท่าไหร่แต่เพราะคนที่มีศรัทธาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่มีความมั่นคงความมั่นคงเนี่ยเหมือนกับว่าเสาหินแต่เสาหินเนี่ยไ ม, ไม่ไปเที่ยวทุบใครแต่มันนิ่งอยู่แต่มีอะไรมาพัดใสายมันไม่เสถียรเพราะฉะนั้นความนิ่งความมั่นคงตัวเนี้ยคือความอ่อนโยนด้วยในใจเพราะฉะนั้นการที่ เรามีจะมีภูมิคุ้มกันตรงนี้ได้นะศรัทธานี่เป็นเรื่องสําคัญของคุณโยมติวและวศรัทธาในอะไรแล้วนะก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสองศรัทธนะาในเรื่องของธรรมะอย่างการณีของคุณจันจ้าเนี่ยถ้าเรามีความรู้หมวดธรรมตรงนั้นหมวดธรรมตรงนี้อันนี้จะเป็นอาวุธของเราไดนะ้อาวุธในการที่เราใช้ต่อสู้กับวาทะที่เป็นค่าศึกได้โดยที่เป็นไปตามธรรมนะคือต่อสู้กับวาทะที่เป็นค่าศึกไม่ใช่ไปทําลายเขาหรือว่าขัดขวางเขาหรือว่าด่าว่าเขา แต่ว่าปรับตรงใจของเราให้มีความมั่นคงค่ะนคือสรัทธาเราก็ต้องทมาทําให้เรารู้สึกว่าเราขอบคุณที่เขาปรารถนาดีล่ะได้ได้ถูกต้องแต่ส่วนในใจของเราหรือการปฏิบัติของเราอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความมั่นคงที่ท่านเพียุญได้บอกให้ปลูกเอาไว้เป็นภูมิคุ้มกันตัวเราเองมีศรัทธาใชนะคะและการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ เข้าใจว่าสําคัญมากเป็นเรื่องดีทีเดียวใช่เป็นเป็นธรรมที่เอื้อต่อการเจริญในธรรมอื่นๆยิ่งยิ่งขึ้นไปเฉพาะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ไหมคะเอปมีอะไรตรัสไว้โดยเฉพาะไหมคะเป็นตรงตรงเรื่องการเข้าไปหาแล้วเองนะเพราะเราปลูกศรัทธาแล้วเราจะมีการเข้าไปหาะการเข้าไปหาตรงเนี้ยต้องไปเข้าไปหาด้วยความนอบน้อมเนื่องจาเราจะดูในรายละเอียดของศับที่เป็นภาษาบาลีเองเนี่ยนะ คุณเข้าไปหาเนี่ยต้องมีความนอบน้อมต้องรู้จักเวลานะต้องทําความนอบน้อมให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นกรณีดูตัวอย่า ง, างเช่นท่านพระสารีบุตรตอนก่อนบวชเนี่ยเข้าไปหาท่านพระอัสสชิแล้วก็มีความนอบน้อมรู้จักเวลาที่เหมาะสมจึงจึงได้เห็นธรรมมาได้ด้วยจิตใจแบบนี้ศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้ใช่ตรงนี้แหละคือความที่เป็นนอบน้อมเพื่อที่จะมีโอกาสที่จะเข้าถึงฟังธรรมมาได้ค่ะคือถ้าเราไม่มีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างนี้เนี่ย เราอาจจะพลาดโอกาสผู้ให้ทําก็ไม่กล้าให้นะคะไม่รู้ว่าให้ไปแล้วจะอื <laughs> จะมีปฏิกิริยาหรือเปล่าเพราะมีจริงๆรนะคะคนบางคนเน่ะพอพูดธรรมะปุ๊บจะมีท่าทีน่ากลัวมากเพราะนั้นตรงนี้คือบางทีผู้ที่ให้ธรรมะเองเนี่ยเออบางทีอาตมาเองเนี่ยนะพูดอะไรไปเนี่ยก็กลัวจะขัดใจคุณหยมติ๋วขัดใจท่านผู้ฝังเพราะนั้นพอ <laughs> พอเรากลัวว่าจะขัดใจปุ๊บเราก็สุขอนท่าทีเราก็ไม่พูดดีกว่าเราก็ไมพูดเรื่องอื่นอย่างเงี้ยนะ เพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่าให้ให้จิตใจเป็นกุศลอยู่ที่เพื่อนทราบนะคะว่าท่านต้องสงวนท่าทีด้วย <laughs> <c oughs> ในการสนทนาในรายการนี้การทั้งสองขั้นนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องดูเหมือนกับวิถีชีวิตของผู้คนปกติแต่เมื่อปฏิบัติแล้วมันได้ประโยชน์ในทางธรรมด้วยใช่ตอนนี้ก็มีคําถามที่สองของคุณจันจ้าด้วยค่ะนิมนต์ท่านเลยค่ะอขาบอกว่าหลังๆจากนี้เข้าสมาธิแล้วเนี่ย ไม่ได้มีการพิจารณาสุภาเลยนัแต่ว่าไปจับถึงความไม่เที่ยงของสมาธิของความคิดเลยอยากจะได้คําแนะนําตรงนี้เพิ่มเติมซึ่งหลายๆคนเขาก็ทําอย่างนี้เวลาที่เข้าสมาธิปุ๊บจิตเป็นสมาธิแล้วเขาก็พิจารณาสุภาตัวมาเองบางครั้งบางคราวก็ทําอย่างนี้เหมือนกันแต่นี้ในคําถามของคุณอาจารย์เจ้านี้ก็พูดถึงว่าแต่หลังๆนี่ไม่ได้ทำขอสุภาก่อนนิดนึงว่ามันหมายถึงความหมายถึงว่าอะไร แต่พระเจ้าให้ความหมายของอสุภัสสัญญาเนี่ยคือความกําหนดหมายในความที่รู้ว่าพวกเนี้เป็นของไม่สวยงามเช่นร่างกายของเราให้กําหนดหมายแทนที่จะดูว่าโอ้ผิวเนียนผิวสวยะก็กําหนดหมายให้ดูให้ดีว่ามันเป็นความไม่สวยงามลอกผิวออกลอกหนังออกนลอกเนื้อออกเห็นแต่กระดูเป็นยังไงสวยงามไม่สวยงามอันนี้คือให้เราหมายรู้ในความไม่สวยงามก็เรียกอสุภะซึ่งมันจะตรงข้ามกับสุภะ สุภาพก็คือสวยงามของดีสวงสวยอ<ะ>สุภาพก็คือไม่สวยงามทีนี้พอไม่ได้พิจารณาตรงนี้แล้วไปจับแต่ความไม่เที่ยงของสมาธิของความคิดแล้วมันต่างกันยังไงใช่ไหมจุดประสงค์ของการที่เราพิจารณาสุภาพก่อนีอทําไมเราต้องมาดูให้มันไม่สวยงามละ่ะทําไปเพื่ออะไรนะจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เกิดการวางให้เกิดการคลายความยึดถือให้เกิดการคลายความกําหนัดนะซึ่งผล ที่คือความคลายกําหนัดการคลายความยึดถือกันไม่รุ่มหลงเนี่ยก็เป็นผลเดียวกันกับที่จะเกิดได้จากการที่เราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความคิดได้ถ้เราพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเป็นความคิดก็ตามความรู้สึกก็ตามเห็นความไม่เที่ยงแล้วมันจะมีความหนายมีความหน่ายแล้วจะมีความคลายกําหนัดมีความคลายกำหนัดแล้วก็จะปล่อยวางได้ก็จะได้ผลเหมือนกันทีนี้แต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันยังไงเพราะว่าถ้าคนที่มีราคาโทสะโมหะแก่กล้าไหนความที่เขาจะไปยึดถือในสิ่งของสวยงามนี้จะเป็นไปได้มากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนําว่าคนที่มีราคาโทสะโมหะกล้าเนี่ยต้องเห็นพวกความไม่สวยงามนั่คือเรื่องของอสุภะแต่ถ้าเรามีโท ร, ราคาโทสะโมหะไม่แก่กล้านะเบาบางนะซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้จีจัดขึ้นรงง่ายเวลาที่มีภาษาอะไรมากระทบใช่ไหมถ้าเป็นกรณีนั้นเนี่ยการพิจารณาให้เห็นความสงบในภายใน นะเช่นทำสมาธิให้แน่วแน่นิ่งไว้อันนี้มันจะดีกว่าค่ะก็ต้องใช้ให้ถูกกับอาการของเราใชถ่ถูกกับความเป็นเราอันนี้กําลังอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติแล้วนะคะท่านฟังที่ครุค่ะคือคุณจันเจ้านี่เป็นผู้ปฏิบททัติธรรมแล้วแสดงว่ามีการสอนให้เมื่อมีสมาธิให้พิจารณาอสุภะเป็นลูกศิษย์ท่านที่วัดป่าดอนไห่โศกรือเปล่าคะเนี่ยอืมไม่ไม่น่าจะใช่แต่เป็นผู้ฟังรายการนี่แหละ ค่ะซึ่งที่ฉันสนใจเรื่องพิจารณาอสุภะที่ท่านพูดนะคะว่าออสุภะที่ว่าเนี่ยท่านใช้คําว่าหมายรู้หมายรู้นี่คล้ายๆคำว่าจินตนาการดิฉันสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะเพื่อให้เขา้าใจง่ายยิ่งข่าวได้นะคะก็เหมือนกเราต้องคิดไป อ, <ช>อสุภะของตัวเราเองหรือว่าของใครก็ได้ค่ะของใครก็ได้ของตัวเราเองนี่ก็จะดีคือถ้าเราคิดของคนอื่นก็น้อมเข้ามาสู่ตัวว่าตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เนื่มันต้องจบที่ตัวเรา ค่ะคือพยายามมองร่างกายของเราที่เป็นปกติธรรมดายอย่างนี้จินตนาการหรือหมายรู้ให้ได้ว่ามันไม่น่าดู่ไม่สวยงามใช่นะคะอ่าตอนหนุมมสาวๆเนี่ยดูอาจจะยากแต่พอล่วงมาถึงซักกลางคนเนี่ยมันจะเริ่มเห็นชัดเจนนะคะอืว่ามีแต่เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเร็วแล้วก็เปลี่ยนมากขึ้นอืมค่ะประเด็นก็คือว่าพอล่วงมาถึงกลางคนหรือค่อนไปแล้วเนี่ย แล้วยังไม่รู้นี่มันต้องทําให้มันรู้ปีใหม่นี้เราเชิญชวนคนพิจารณาอสุภะนี่จะถือว่าเราบาปไหมครเป็นมงคลมากเลยเป็นมงคลมากๆเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบในลักษณะที่ไม่ต้องงดงามในปีใหม่แต่ว่าพิจารณาแล้วจะได้อะไรที่เหมือนความงดงามหรือดีกว่าความงดงามคะสิ่งที่ดีกว่าคือความคลายกําหนัดความปล่อยวางความรู้ยิง่งความรู้พร้อมนิพพานค่ะ <c oughs> เราจะได้ ดังนั้นว่าอย่างเนี้ค่ะท่านครับมันจินตนาการแบบแบบเราเคยเห็นว่าร่างกายของคนเนี่ยเมื่อเหี่ยวแล้เป็นอย่างนี้เมื่อหนังมันออกแล้วเป็นอย่างนี้เมื่อแหวะเอาไปดูอวัยวะข้างในแล้เปลนเป็นอย่างนี้ใช่นี่แหละพิจารณาอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยถูกต้องเลยคือใช้สัญญาเก่าของเราถูกต้องถูกต้องสัญญาเลยคำว่าสัญญาทีนี้ความที่เราจะทราบตรงนี้ได้จิตต้องเป็นสมาธิไง เพราะฉะนั้นทำให้บางทีบางคนคิดว่าเอ้ยฉันเอาแต่คิดแต่คิดแต่คิดไอคิดแล้วทำไมยังไม่เห็นนะคิดแล้วต้องจิตมีสมาธิด้วยไอ้เวลาที่จิตเรามีสมาธิเนี่ยเขาจะไม่ไเรียกว่าคิดแล้วเขาจะเรียกว่าพิจารณาเพราะฉั้นการที่เราจินตนาการเอาพิจารณาเอาเนี่ยต้องใจ ai, ต้องมีสมาธินั่นเองค่ะคือแตกต่างกันอย่างไรคะคือเหมือนกับว่าถ้าไม่มีสมาธิเราบอกไม่เห็น น, นะคะกับถ้ามีสมาธิแล้วเห็นเนี่ยเป็นการเห็นเป็นภาพขึ้นมาในจิตหรือว่าเป็นภาพในจินตนาการที่มันชัดขึ้นมา ความความสามารถในการเห็นความแตกต่างที่จะเกิดขึ้นคือความที่เราจะวางได้ถ้าเรามีสมาธิแล้วมันจะเบามันจะวางได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิมันจะเครียดโอ้ทำไมฉันต้องมาคิดเรื่องพวกนี้แต่มันจะต่างกันตรงนี้เพราะว่าถ้าคนที่สมาธิไม่แก่กล้าเนี่ยยิ่งว่าไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องตัวเองแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยเราเห็นอุบัติเหตุเกิดข้างทางไม่กล้ามองอืเรารู้สึกว่ามันไม่น่ามองแล้วมันก็น่ากลัวเออ ตรงนี้เขาอาจจะเป็นจริตในลักษณะที่ว่ า, ามีราคะโทสะโมหะเบาบางก็ได้เขาก็ต้องไปเจเริญสมาธิลักษณะนั้นอาจจะดีกว่าสำหรับเขานะคะแต่อะไรก็ตามถ้าท่านไม่ใช่ผู้ที่มีราคาโทสะโมหะกล้าก็ไม่ต้องไปฝืนทำพิจารณาอาสุภะใช่ใช่เนาะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงบร นะะท่างฝั่งเขาวันนี้เราก็เลยได้ประโยชน์ที่นําเอาไปปฏิบัติได้เลยเพื่อที่จะพัฒนาตัวงเราเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อผ่านเข้ามาสู่ปีใหม่อีกปีหนึ่งซึ่งทําให้เราชราขึ้นลดทอนวันเวลาของเราลงไปนะคะแต่ว่าเราจะทําในสิ่งที่เป็นกุศลให้มากขึ้นก็สามารถที่จะทําแบบเดียวกับศีขามานาได้เลือกที่จะงดอาหารในยามวิการไม่รับประทานอาหารในเวลาล่วงการนะคะหรือว่า จะปฏิบัติอย่างคุณจันเจ้าเนี่ยแล้วก็ในการปฏิบัตินั้นให้เจริญขึ้นไปด้วยการพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งถนัดอสุภะไปอสุภะแต่ไม่ชอบอสุภะก็พิจารณาแบบที่ท่านเพริปุบอกว่าได้เลยนะคะก็คื อ, อพิจารณาความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไปของลมหายใจต่างๆวันนี้ก็กราบนวัฒ ก, การขอบพระคุณท่านาบูริปเป็นอย่างยิ่งนะคะเชี่ยผ่ค่ะท่านฟังที่โกรบคะ่ะเนี่แหละค่ะเป็นพรปีใหม่ ของรายการสันนิสฐานะนะคะถ้าจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งเอาแบบสัส้นๆที่ท่านสุบูลให้เมื่อวานก็คือท่านให้พวกเรามีสติแล้วก็ถ้าจะเอาลงรายละเอียดวิธีการเรามี2ตัวอย่างในวันนี้ให้กับท่านอย่างชัดๆเลยนะคะติดตามรับฟังรายการสันนิสนทนากันต่อไปได้ใหม่ในวันสตาราหวันพุธไอ้วันพฤหัสค่ะวันนี้ลากไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพุทธวัสวัสดีค่ะ